จิตที่ได้ชำระมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียเงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแล้วจิตทั้งๆ ท, ที่ไม่รวมไม่สมบงบรวมเป็นสมาธิก็ตาม กำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกแล้วความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกัรบรอะไรระเสมีมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มา ก, กระทบทําตาทางหูทางนิ้งทางจมูกทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้น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 มันครอบไปได้หมดใกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือไกลมันพูดไม่ถูกเห็นแต่วความรู้นั่นเด่งครอบไปหมดความเจ็บจักรวาลเนืลโลกทั้งโลกเรือปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่อํานาจของจิตกระแสะของจิตที่ชําระสิ่งปิดบังมัวหมองอะไรออกไปแล้ว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 ผู้มิใช่สมมุตริรู้เรื่องความมิใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนามาพูดอะไรไม่ได้ในโลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคำว่านิพพานขึ้นมาพูดหนังเรื่องของกิเลสสามัญคือ กิจสามัญธรรมดาเราจะต้องคาดว่านิพพานเจ้าต้องว่างขวางเบื้องว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีประดียังจะคิดประโยชนมีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เดินกวักแคว่กันดูนัอยู่ในพระนิพพานนั้นเท่านั้นนานทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินกวักแคว่กันไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบาย พาสุกเจริญเลยทำหนองนั้นไม่มีความ ส, สุขเศร้างอแงเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันุ์เหมือนโลกสมมุติเราน่ะความจริงหาได้ทราบไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุทดเดินกวาฝ่ า, ายหรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความเกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนนั้นเป็นสมมุติอันะนะแล้วมันก็เข้ากับพิมุต คำว่านิพานแท้ไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมตุติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็าตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดียดก็าตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมตุติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมด เพราะตามธรรมนาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพอยแยบออกมาอะไรก็จะต้องคาดไปตามความร้นเบาที่ไปกินไม่จังไม่แน่ไม่นอนมันเสมอไปนั่พระอะไรยมกเรอี่ยู่ฝกกับภาษาดิบว่าพระรหันต์ตายแล้วศูนย์ เพราะพญมกนั้นเป็นปุถุชนพระสาริบุตรเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจต้งพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแงน่จช่ น, น, น, าานั้นก็นึกจึกในในตาราที่ท่านเขียนนั้นพญมกยังไม่ไม่ปรากฏว่าจะสำเร็จนอกผลไม่ผ่านอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผล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 มีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพญมพามก็ได้มันสงสัย่ะมาถืออแต่ตอนที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญพระองค์ทรงแสดงว่าพระอรหันต์เป็นรูปหรือถึงตายแล้วสูญพระอรหันต์เป็นเมทนาเป็นสัญญาเป็นตังขานเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อย มันไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความลงแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเทนา ท, าทาัญญาสังขานวิญญาณไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมุติเป็นไปตามสมมุติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความบริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนํานเรื่องของความวิมุตติธรรมหรือหรือวิมุตติจิตเข้ามาค้าคร่าวหรือมาบวกกันกับ ขัน้น5ซึงเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของกิตละเอียดจนอัศจรรย์แม้ขณะที่ยังมีสินพัวพันธุ์อยู่ก็แสดงของมอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของตน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 ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเร า, เร า, เร า, ท, าท่านนี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามายาทเป็นมีนิจจลิตริสัยไงก็แสดงออกตามจริยนิสัยของตนตามเรื่องของสมมุติที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของนิมุตตินั่นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตา่าง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 ว่าหนักไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่านก็ทราบทราบได้ชัดนั้นเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากอีกดโดยลาหนักเวลามันหนาแน่นภานจิตมืดดำไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไร และสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผูกพันคืออะไรเลยถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองคลาดเค้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำะสะสระสสารไปโดยลาดับลาดับ่อยมีทางทราบได้โดยลำดับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อย หรื อ, อยังมียูนิตก็ทราบว่ายัางมีมเพราะมีความสืกต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงื่อนหรือนีคือเชื้อที่จะทำให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งอยู่บอกอยู่ภายนจิตเมืม่อท่านทราบชัดดังนั้นท่านก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่ง น, นั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไ ร, รสรืบต่อกันแล้วจิต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 จงทราบได้ชัดเมื่อทราบทรงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนำเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศทมสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ทมประเภทไหนได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเรียนอยา่ทราบดังที่ท่านทราบดาบททั้งสองและเบญจวคีทั้งห้าเป็นต้น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 ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรู้ต้องรู้เป็นลําดับลําดารู้ธรรมนรืกละกิเลสมันเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเหมือนอ่างเราเปิดไฟความมืดก็ดับไปในขณะเดียวกันกิเลสสลายตัวลงไปความสว่างที่ถูกปิดบังอยู่นั่นก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวลงไป ความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชาัดเจนยิเลศซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งก็ทราบอย่างชาัดเจนแล้วตัดขาดได้ด้วยหลักคอมจรคือสติปัญญาแล้วนำมาพูดกันเพื่อผู้ฟังด้วยความตั้งใจฟังต้องเข้าใจและทมที่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 ในระยะนี้วงแขบเพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วธาตุขันมีอะไรบ้างหนาติ่มแจงลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขังินญาณพิจารณาจนหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนามันก็ เ, เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามตามกัน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 รู ป, ประธาต์รูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุู่แล้วเนี่ยพัฒนาสัญญาสังขารนิญาณแต่ละอย่างก็เป็นเทนามะธรรมาปรากฏยิบยั บ, บยิบยบแล้วหายไปในขณะขณะจะดทือสาระแก่งสารอะไรจากสิ่งเหล่า น, นี้เราเนี่ยปัญญาอย่างซาบเข้าไปเดิยนับคือซาบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆ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 ทำมาตัดทางเสือโครงออกเที่ยวหากิ่นทันวะคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องตามรูปตามเสียงกผ่านเครื่องสัมผัสที่นี่ก็ออกมาเที่ยวตามรูปตามเวทนาสัญญาทังขานอินญาณค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโครงเสือดาวมันเที่ยวตามนี่ทันวะแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดทางเข้ามาจนกระทั่งเอาเข้าใส่กรงเดียวอืะเข้าใส่กรงคือ เขาเข้ารวมตัวในจิต ด, ดวงเดียวเท่านั้นทิเหลยดอาสวะทั้งมวล<า>รวมลงในจิต ด, ดวงเดียวนี่ตัดขาดไปหมดกิ่นกาลสาขาตัดไปหมดเหลือว่าจะจิตอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวเอาจิตมาแต่ว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลกกระจายภายในนั้น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 ที่เป็นกิเลสอาสวะมันครอบรอยู่นั้นเหมือนกับเรียกว่าจิตประเภทหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชำระขยี่ขยาด้วยปัญญาลงไปแล้วอันนี้กระจายไปหมดแต่ส่วนจิตที่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้สลาให้ไปด้วยนี่ฉลาไปแต่สิ่งที่เป็นอันนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้น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 จากความสืบต่อเกีย่ยวเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงหรือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ที่นี่ว่าจะเป็นจุดคือในที่ใดในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนเป็นจุดเช่นสมาธิเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้น ความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความปรองใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นยางชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานหนึ่งสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลา ง, งอกนีจริงๆทีนีเ้เวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้ว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 จิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาขานันธ์วิญญาณที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่า ง, างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่มคําว่าปรมังสุขขังไม่ใช่สุขเวนทนาดีธรรมานิพานังปรมังสุ ข, ขังพรนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งคําว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนา ของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์สแสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มีบริสุทธิ์ ต, ตนล้วนแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจึงเรียกไม่ได้ไม่มีคําว่าปรมงสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหา ความอวิชจัิงทุกหาตาเข้าไปแทรกในปรมังสุขังนั้นไม่ได้ฐานิพานเที่ยงปรมังสุขขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันฐานวานิพานเที่ยงปรมังสุขังก็เที่ยงปรมังูสุญญังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรแง่อะไรก็แยกไปได้ถ้าพูดที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันย่างข้ามผิดวันย่างข้า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 พรยาธรรมาสร้างขาราบมาเดเดนสะสั้ปาเดธายนะุก่อนไปสู่ทั้งหลายพุดย่อๆเธอทัอ้งหลายจงพิจารณาสัางขารที่จเจริญขึ้นแล้วเสริมไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นเท่านั้นแล้วปิดพระโอษฐ์ในพระโอวาทที่เป็น ขนาดขั้นปชิมโอวาทแล้วเราจะถือว่าสังขารนี่เป็นสังขารประเภทใดเราแยกไปสังขารประเภทภายนอกก็ไม่ผิดแต่ในขณะนั้นมีแต่พระสงฆ์ผู้พูดเป็นนักปฏิบัติซึ่งมีภูมิทงสูงทั้งนั้นนับแต่พระหรหันต์ลงมาเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ประทานพระโอวาท ปัจิมโอวาทนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภายในจิตกวนกิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความหนับแห่งสังขารอันนี้ด้วยความรประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกฐานหาเราจะแยกไปสังขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไร สัดบุคคลแล้วก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่จะประนิพันธ์และประทานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดงประชิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะประนิพันธ์นั้นจึงหมายถึงสังขารละเอียดสุด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 หรืออยู่ในธาตุในขันในปิตใจของเรานี้ทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมรรคทั้งความบริสุทธิ์มีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยโน้นที่โน้นกับคนโน้นคนนี้อยู่กับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิพิจนาอยู่เวลานี้เพราะเหตุไรเพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตตต่อธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับ ทำที่ท่านแสดงไว้แล้วในสมัยนั้นๆแล้วเข้ากับหลักว่ามัชชิมาเป็นศูนย์กลางอยู่เสม อ, ไ ม, อ ไ, สมไม่เอียงไปสมัยนู้นไม่เอียงไปสมัยนี้ไม่เอียงไปการน้นการนี้เพราะอยู่ในถ้ำกลางแห่งธาตุแห่งขันของเรานี่ถ้ำกลางอยู่เสมอมัชชิมาขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี่แล้วเราจะเห็นผลแห่งมัชชิมาที่แสดงออก ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังปรมังฝุก ข, ขังจะไม่พ้นไปจากหิกดวงรู้นี้เลยึยงข อ, อยุติเพียงเท่านี้